เรื่องพวกชดินดับไฟข้อสสมัยนั้นชดินเหล่านั้นบูชาไฟกันแล้วแต่ไม่อาจจะดับไฟได้ลำดับนั้นชดินเหล่านั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าการที่พวกเราไม่อาจจะดับไฟได้คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม่ต้องสงสัยเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับชดินอุรุเวลากัะสปะว่า กัสปะพวกชชดินจงดับไฟเถิดชชดินอุรุเวลากัสปะทูลรับพระดำรัสว่าข้าแต่มหาสมณะพวกชชดินจงดับไฟไฟทั้งห0ารอยกองได้ดับพร้อมกันทีเดียวขณะนั้นชชดินอุรุเวลากัสปะคิดว่าพระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับให้พวกชชดินดับไฟได้แต่ไม่เป็นพระอระหันต์เหมือนเราแน่